นิทานอุบาทไหนๆก็ได้เสนอวิธีทำให้คนรักมาแล้วก่อนที่จะจบภาคที่หนึ่งก็อยากจะพูดถึงทางแตกแยกกันเสียบ้างเหมือนปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ล้อมรั้วบ้างนิดหน่อยการอันตรายท่านผู้ฟังย่อมจะทราบอยู่แล้วว่าความรักเป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งของจิตตั้งอยู่บนรากฐานคืออารมณ์หมายความว่าเมื่อมีอารมณ์ที่จิตชอบเกิดขึ้นความรักจึงเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์นั้นดับไปความรักก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ระวังรักษายากอยู่สักหน่อยคนรักกันแล้วกลับชังกันก็ได้และชังกันแล้วอาจกลับรักกันอีกก็ได้แต่ถ้าพูดถึงภัยที่จะเกิดขึ้นคนรักกันแล้วมาชังกันมีภัยมากกว่าคนที่ยังไม่เคยรักกันเลยทางที่จะทำให้คนรักกันแล้วเกิดบาดหมางจนถึงกับทะเลาะเบาแวง้ง และแตกแยกกันมีอยู่หลายทางว่าแต่ที่สำคัญสาคัญเพื่อจะได้ระมัดระวังส่วนปลีกย่อยก็อยู่ในเนื้อหาของวิธีครองใจอยู่แล้วเหตุร้ายแรงลำดับแรกและที่ปรากฏขึ้นอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะได้เก็บความถือรั้นไม่ยอมลงกับใครแม้จะรู้ว่าความคิดเห็นของตัวผิดบางทีท่านเรียกความถือรั้นว่าอุบาทก็มีดูเข้าทีเหมือนกัน ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นในปฏิทินประจำปีโวนเขาพยากรเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนาคให้น้ำและเรื่องพืชพันธัญญาหารแล้วก็บอกไว้ทุกปีว่าวันนั้นเป็นวันอุบาทวันนั้นเป็นวันโลกาวินาทท่านผู้ฟังคงจะเคยทราบทุกคนแล้วเคยเห็นหรือไม่ว่าอุบาทคืออะไรรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเชื่อว่าคงไม่มีใครเคยเห็น เป็นแต่เคยกลัวอุบาทมันจะมาลงเพราะเคยทราบอิทธิฤทธิ์ว่าถ้าอุบาทลงที่ไหนเป็นแตกทุกที่ลงครอบครัวผัวเมียแตกกันลงบ้านบ้านงร้างลงที่ไหนเป็นแย่ทุกแห่งถ้ามาลงยุวพุทธิกะสมาคมนี้กรรมการก็จะตึงกันหมดประชุมกันไม่ติดใครๆก็พากันกลัวอุบาทจะลงและมีท่านผู้ใดบ้างเคยพบเห็นตัวอุบาท ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่มีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังพอฟังเรื่องนี้จบท่านก็จะรู้จักตัวอุบาตและอาจจะพบปะสนทนากับอุบาทด้วยก็ได้เรื่องอุบาตนี้เดิมทีข้าพเจ้าได้ฟังเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงก์ในวงเล็บติดโสอ้วนวัดบรมนิวาสท่านเทศให้ฟังเรื่องมีว่า มีพระราชาองค์หนึ่งเสด็จตรวจตราความสุขความทุกข์ของไพร่ฟ้าประชาชนผ่านไปตามถนนต่างๆในพระนครครั้นเสด็จผ่านไปผ่านไปก็ทอดพระเนตรเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านใหญ่โตน่าอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ปล่อยให้รกรังเป็นบ้านร้างทรงแปลกพระทยัยจึงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่งแล้วก็ตรัสถามคนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านนั้นนี่ลุงบ้านนี้ทาไมไม่มีคนอยู่หรือ บ้านนี้คนอยู่ไม่ได้พยาค่ะตาลุงกราบทูลทำไมล่ะอุบาทลงแล้วพยาค่ะอุบาทตัวมันเป็นยังไงล่ะลุงไม่เคยเห็นพยาค่ะพระราชาเสด็จกลับพระราชวังด้วยความสงสัยในพระราชาหฤทัยว่าอุบาทตัวมันเป็นอย่างไรทำไมมันจึงมีฤทธิเดชมากนักเผื่อทราบแล้วจะไปปราบเสียให้ราบคาบประชาชนพลเมืองจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อไม่มีทางอื่นที่จะทรงทราบได้จึงรับสั่งให้มีการประชุมณนะท้องพระโรงหลวงเสนาข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่เข้าเฝ้าอยู่พร้อมหน้าพระราชาเสด็จออกมหาบาดีท่านเคยพบเคยเห็นหรือไม่อุบาทตัวมันเป็นยังไงรับสั่งถามไม่เคยพะยะค่ะได้ยินแต่ชื่อโน่นล่ะท่านอมาตย์เคยเห็นไหมรูปร่างมันเป็นยังไงตัวอุบาท รับสั่งถามคนต่อไปเช่นเดียวกันพะยาค่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อรับสั่งถามเสนาข้าราชการจนหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงไปถึงเสนาผู้น้อยก็ไม่มีผู้ใดเคยเห็นมีแต่เคยได้ยินชื่อโดยอำนาจคติยมานะเมื่อเห็นว่ามีพระประสงค์จะทรงทราบก็ต้องเขี่ยวเข็นเอาจนได้จึงตรัสสั่งบังคับเสนาคนหนึ่งว่า ให้ไปเที่ยวหาจับตัวอุบาทมาให้ได้ภายใน7วันถ้าหากไม่ได้จะประหารชีวิตเสนาคนนั้นไม่รู้เรื่องราวก็เที่ยวตุรัดตุเรไปตามตำบลต่างๆเจอใครก็ถามว่าเคยพบเคยเห็นอุบาทหรือไม่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเคยพบเห็นใครๆก็บอกได้แต่เพียงว่าเคยได้ยินแต่ชื่อเวลาร่วงไป6วันแล้ว เหลือเวลาอยู่วันเดียวเท่านั้นก็จะครบกำหนดเสนาจึงฉุก ค, คิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้เห็นจะชะตาขาดแน่คงตายฟรีอุบาทนี้มันเป็นของไม่มีตัวนี่หกวันแล้วยังไม่ได้แม้แต่ข่าวว่ามีใครเคยเห็นตัวอุบาทอุบาทไม่มีแน่แต่ธรรมดาพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเมื่อว่าจะประหารก็ต้องประหารขืนเรากลับไปคงไม่พ้นหัวขาด ขายหน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเปล่าๆอยากกระนั้นเลยเข้าไปตายในป่าหินมพานดีกว่าคิดแล้วก็บ่ายหน้าเข้าป่าหินมพานไปในวงเล็บเล่าไปก็คล้ายๆเรื่องลิเกแต่ความจริงไม่ใช่เข้าไปในป่าหินมพานไกลมากจนถึงกลางป่าก็ไปเจอฤาษีเข้าองค์หนึ่งกําลังนั่งบําเพ็ญตบะอยู่ในอาสมพระฤาษีเห็นคนมาก็แปลกใจจึงถามว่า ท่านเสนามีธุระอะไรหรือจึงได้บุกป่ามาถึงนี่ท่านผู้เจริญกระผมมีธุระสำคัญคือพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรตัวอุบาทแล้วรับสั่งให้กระผมมาหาจับตัวอุบาทไปถวายให้ทอดพระเนตรภายในเจวันและส่งค่าโทษไว้ว่าถ้าหาไปถวายไม่ได้จะประหารชีวิตนี่ก็เที่ยวหามาหกวันแล้วยังหาไม่ได้และหมดหวังที่จะได้ ถ้ากลับไปก็คงไม่พ้นพระราชอาญาเลยจะมาขออาศัยตายในป่านี้หน่อยท่านั้นเองหรือท่านเสนาธุระเพียงเท่านี้ไม่ต้องตกใจตัวอุบาทที่นี่มีท่านเสนาไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาสิจะใส่ให้เสนาดีใจยิ่งนักรีบไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาให้พระฤาษีกระบอกยาวสองปล้องทะลุข้อกลางเสียลักษณะ ก็คงจะคล้ายๆกระบอกน้ําที่เขาขายหน้าสถานีบ้านปินท่านที่เคยเดินทางไปลําปางโดยทางรถไฟคงจะเคยเห็นพระฤาษีรับเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาเข้าไปในอาสมคายชันหมากลงใส่ในกระบอกแล้วเอาใบไม้ม้วนๆปิดปากกระบอกจนแน่นดีเสร็จแล้วก็มอบกระบอกให้เสนาพร้อมกับสั่งว่าเอาท่านเสนานี่กระบอกอุบาท ท่านอย่าไปเปิดดูตามทางเป็นอันขาดถ้าขืนเปิดดูมันจะหนีไปโดเร็วแล้วก็หาอีกไม่ได้เมื่อนำขึ้นทุนกล้าวถวายก็จงกลาบทุนด้วยว่าต้องค่อยๆเปิดแล้วทอดพระเนตรลงไปในกระบอกอย่าเทออกเป็นอันขาดประเดี๋ยวจะดูไม่ทันเสนาดีใจรีบนำกระบอกอุบาทกลับเข้าเมืองท่ามกลางเสนาข้าราชการมหาสันนิบาตณนะท้องพระโรงแห่งเดิม เสนาผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการล่าจับสัตว์อุบาทได้นํากระบอกอุบาทขึ้นทูลกล่าวถวายอย่างระมัดระวังทุกทุกสายตาในท้องพระโรงรวมมาสู่จุดเดียวกันคือที่กระบอกอุบาทขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล่าวตัวอุบาทนี้หายากเหลือเกินพะยะค่ะเวลาทอดพระเนตรต้องทอดพระเนตรลงในกระบอกห้ามเทออกเพนันขาดเสนากราบทูลรายงาน พระราชาทรงเปิดจุกกระบอกอุบาทอย่างระมัดระวังและด้วยความกระหายเสร็จแล้วก็ท่อพระเนตรลงไปในกระบอกมันมืดท่อพระเนตรเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสักครู่ก็รับสั่งว่าเอออุบาท ต, ตัวนี้เหมือนกบนะเอา้ามาหาเสนาบดีดูสิแล้วก็ส่งยื่นกระบอกอุบาทให้มาหาเสนาบดีฝ่ายมาหาเสนาบดีดูแล้วก็บอกว่าไม่ใช่พยาฆ่าตัวเหมือนอึง แล้วกระบอกอุบาทก็ถูกส่งกันต่อๆไปในมหาสันนิบาตนั้นจนกระทั่งถึงพวกเสนาผู้น้อยและเมื่อต่างคนต่างดูแล้วก็ต่างคนต่างเห็นฝ่ายผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนจิ้งจกฝ่ายผู้น้อยว่าเหมือนตุ๊กแกแล้วก็เกิดประชันความเห็นกันฉันว่าเหมือนจิ้งจกพวกผู้ใหญ่ว่าฉันว่าเหมือนตุ๊กแกพวกผู้น้อยว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> ชื่อฉันเถอนะหน้าฉันเป็นผู้ใหญ่เชื่อพวกผมเถอะหน้า ท่านแก่แล้วหูตาไม่ดีเอ๊ะเด็กอะไรเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเพิ่งจะรับราชการมาเมื่อวานนี้เองน้อยมีหน้ามาเถียงผู้ใหญ่ท่านเองก็แก่จะเข้าโรงอยู่แล้วยังจะมีหน้ามาว่าเด็กอีกเหตุการณ์ในท้องพระโรงชักตึงเครียดเสียงถกเถียงกันเซ็งแซ่ไม่กลัวต่อพระราชอาญาหนักเข้าจะวางมวยกันต่อหน้าพระที่นั่งให้ได้นั่นอุบาทมันลงแล้วนะ่ะ เห็นาจะไม่ได้เรื่องพระราชาจึงได้รับสั่งให้นำกระบอกอุบาทมาคืนตกลงพระไทยว่าไม่ได้เรื่องแน่ขืนเก็บตัวอุบาทไว้ในเมืองมันจะทาให้ยุ่งใหญ่เพียงเท่านี้ก็เอาเรื่องพอดูแล้วปล่อยมันคืนไปในป่าอีกดีกว่าแต่ไหนๆจะปล่อยมันไปแล้วก็ เ, เทออกดูหน้ามันเสียก่อนทรงเทอุบาทออกจากกระบอกและสิ่งที่ออกมาก็คือชันมาก ท่านผู้ฟังเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าอุบาทคืออะไรความจริงกระบอกก็ไม่ใช่อุบาทฉันหมากก็ไม่ใช่อุบาทและอุบาทคืออะไรล่ะนี่มันอยู่ในหัวสมองของคนเรานี่ความรั้นนั่นแหละคือตัวอุบาทที่ว่ารั้นคือไม่ยอมลงให้ใครทั้งๆ ท, ที่ตัวก็รู้ว่าของเขาถูกหรือตัวก็รู้ว่าความเห็นของตัวยังไม่สู้แน่นักว่าจะถูกแต่เมื่อความคิดเห็นของตัวเป็นใหญ่ เถียงอะไรกันก็เอาข้างเข้าถูเสียเรื่อยถ้าความรั้นมีอยู่ที่ไหนความร้าวก็มีอยู่ที่นั่นถ้าลงได้รั้นแล้วก็มักจะรักกันไปไม่รอดตัวรั้นนี่แหละคือตัวอุบาทเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้มากโดยเฉพาะเวลาประชุมปรึกษาหารือการงานกันอุบาทมันชอบลงนะักถึงในครอบครัวก็เถอะถ้าฝ่ายหนึ่งทาท่าจะเอาข้างเข้าถูขึ้นเสียงเป็ดเป็ดเปด อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องคอยสะกิดนี่เธอเบาๆหน่อยประเดี๋ยวอุบาทมันจะได้ยินเข้าแล้วก็ต้องรีบหาทางเข้าหาเหตุผลอย่ารั้นสรุปภาคแรกก่อนผ่านภาคนี้ไปข้าพเจ้าใคร่จะเรียนย้ำว่าการคลองใจที่สมบูรณ์หมายความว่าเราและเขามีความรักต่อการทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลงรักฝ่ายเดียวงานสร้างความรักจึงน่าจะเป็นงานสองหน้า คือทำให้เขาเกิดอยากรักด้วยและก็ทําตัวเราเองให้น่ารักด้วยน่าจะต้องทําอย่างนี้แต่เมื่อความจริงทางด้านจิตใจแล้วกลายเป็นว่าจิตทุกดวงอยากรักเป็นพื้นอยู่แล้วพระพุทธวจนะยืนยันสภาพของจิตก็มีว่าสุดุตตะสั่งสุนิปุณังยัถากามนิปาตินังจิตตังระกเขทเมทาวีความว่ายัถะ กามนิปาตินังในพระบาลีนี้แปลว่าจิตมีปกติตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่พูดฟังกันง่ายๆว่าจิตชอบอยู่กับอารมณ์ที่น่ารักหรือว่าอย่างไม่ต้องใช้สำนวนตามภาษาชาวบ้านว่าจิตอยากรักเป็นพื้นอยู่แล้วมีสิ่งที่น่ารักณที่ใดจิตก็วิ่งไปสู่ที่นั่นพอจับความจริงของจิตได้อย่างนี้งานครองใจคนก็ร่วงไปแยะ เรียกว่าเสร็จธุระไปด้านหนึ่งทีเดียวคือแทนที่จะมาเสียเวลาทำให้เขาเกิดอยากรักก็ไม่ต้องทำเพราะเขาอยากรักอยู่แล้วงานเหลืออยู่ด้านเดียวคือทำตัวให้เขารักเหมือนเขาหิวข้าวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปวิ่งเต้นหายาเจริญอาหารให้เขารับประทานอีกงานเหลืออยู่หน้าเดียวคือรีบผงข้าวต้มแกงให้เขารับประทานเท่านั้นในการทาให้เขารักต้องพยายามสร้างความงามขึ้นในตัว ตรวจตราให้งานครบทั้ง4ชั้นหากจะเป็นไปทั้ง4ชั้นไม่ได้ก็อย่าลืมว่าความงามทางมารยาทและจิตสำคัญที่สุดในกรณีที่จำเป็นแม้ว่าท่านจะเสียความงามด้านอาภรและร่างกายคนทั้งแผ่นดินก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเรามีความงามอีกสองอย่างคืองามมารยาทและงามจิตตรงกันข้ามถ้าเสียมารยาทและใจคอต่าซามแมอาภรและร่างกายจะ เพลิดพลิงอย่างไรก็ไม่พ้นถูกคนสาปการตรวจดูความงามทั้งมารยาและจิตก็ใช้หลัก4อย่างดังกล่าวแล้วคือการให้ปันการใช้คําพูดน่ารักการบําเพ็ญประโยชน์และการวางเนื้อวางตัวให้เหมาะสมอยากครองใจเขาก็ใช้หลักทั้ง4ี่นี้แม้ว่าคนที่รักของเราเมินเฉยไปเราก็ตรวจดูว่าเราบกพร่องข้อใดในสี่ข้อนี้เป็นขี้เหนียวเห็นแก่ตัวหรือ หรือปากคอมันไม่ดีหรือเป็นคนใจจืดไม่รู้จักช่วยเหลือใครหรือขาดความเหมาะสมในการวางตัวตรวจดูให้ครบถ้วนมันจะต้องมีที่บกพร่องอยู่นแน่แน่ถ้าเลี้ยงกาแฟก็แล้วเลี้ยงข้าวก็แล้วไม่สำเร็จสักทีก็ลองตรวจดูข้ออื่นๆประเดี๋ยวก็เจอถ้าท่านใช้วิธีทำตัวให้เขารักแทนวิธีทำให้เขามารักตัว ท่านก็จะพบความสำเร็จในการครองใจคนง่ายขึ้นและแน่นอน10ใจถ้าเราจะรีอ่านไปเที่ยวหาจับสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นตัวจริงก่อนที่จะออกล่าจับเราควรจะได้ทราบเรื่องราวของสัตว์นั้นบ้างอย่างน้อยก็ต้องให้ทราบว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรโตเล็กเท่าไหร่มันอยู่อย่างไรไปอย่างไรกินอย่างไร และมีพิษสงในตัวของมันอย่างไรบ้างเพราะสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอยู่เช่นจับวัวจับควายต้องจับที่จมูกคว้าจมูกไว้ได้ก็สิ้นเรื่องจับช้างต้องที่คอจับมแมลงปอที่หางและสัตว์อื่นๆก็มีวิธีจับต่างๆกันถ้าจับถูกที่ไม่เปืองแรงสัตว์นั้นก็จะอยู่มือและไม่มีทางทําอันตรายผู้จับสัตว์สาวาสิง์ เป็นของที่มีตัวให้เราเห็นอยู่ชัดๆกับตาถ้าจะจับก็ต้องจำเป็นต้องรู้เรื่องราวไว้บ้างการครองใจคนซึ่งโดยความหมายก็คือจับใจคนนั่นเองก็เป็นงานอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการจับแต่สิ่งที่เรามุ่งจะจับนั้นคือใจคนจึงเป็นความจำเป็นมากที่เราจะหาความรู้ความเข้าใจให้มีความรู้พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งที่ละเอียดเร้นลับมาก จนแม้แต่เราเองก็ยังไม่สามารถเห็นใจของเราเองทั้งๆ ท, ท, ที่มีอยู่กับตัวเป็นเวลานานนับสิบสิบปีแล้วเมื่อใจเป็นสิ่งละเอียดการที่เราจะครองใจหรือจับใจก็มีพิธีรีตรองมากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโปรดใช้เวลาสัก15นาทีพิจารณาสภาพของใจต่อไปนี้ก่อนลักษณะของใจประเด็นแรกที่สุดคือเรื่องลักษณะของใจ ใจเป็นธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งไม่มีตัวคือไม่มีรูปร่างพระพุทธวจนะก็กล่าวไว้แต่เพียงว่าอสเรรังแปลว่าไม่มีสรีระคือไม่มีตัวเมื่อไม่มีตัวกำหนดรู้ไม่ได้ด้วยวัตถุใดๆเพราะเป็นธาตุที่ละเอียดยิ่งกว่าวัตถุไม่ปรากฏด้วยสีคือกำหนดว่าคนใดใจดาใจแดงใจเขียวใจเหลืองว่าไม่ได้เพราะใจไม่มีสี จะกำหนดโดยสันธานคือรูปร่างว่าใจสั้นใจยาวใจอ้วนใจผอมก็ไม่ได้เพราะไม่มีสันฐานโดยทํานองเดียวกันจะกําหนดโดยเสียงโดยกลิ่นโดยรสไม่ได้ทั้งนั้นเพราะใจไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรส ถ, ถ้าจะถามว่าทําไมจึงไม่มีก็ตอบได้ง่ายคือธรรมชาติของโลกนี้มี2ออย่างคือรูป ก, กับนามที่เราชอบพูดกันในสำนวนวัดว่า รูปธรรมนามธรรมของที่เป็นรูปได้แก่วัตถุท่าต่างๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นจากวัตถุเช่นร่างกายของเราบ้านอเรือนต้นไม้แผ่นดินน้ำอากาศลมไฟและอื่นๆนี่พวกวัตถุหรือรูปส่วนพวกน้มนั้นเป็นพวกละเอียดละเอียดกว่ารูปที่เรียกว่าน้ำก็เพราะมีแต่ชื่อไม่มีตัวแต่ว่ามีความจริง ของมีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวอื่นๆก็มีเช่นวิชาความรู้ความดีและความรักความชังเป็นต้นของพวกนี้ใครๆก็รู้ว่ามีจริงๆแต่ใครๆก็ไม่เคยเห็นจิตใจของคนเราก็เป็นนามคือเป็นสิ่งที่มีแต่ชื่อหรือเราได้ยินแต่ชื่อทีนี้สีก็ดีสันถานก็ดีรสก็ดีเหล่านี้เป็นอาการของสิ่งที่เป็นรูปเท่านั้น สิ่งใดเป็นรูปสิ่งนั้นก็มีสีมีสวดทรงมีกลิ่นมีเสียงมีรสสิ่งใดเป็นนามในวงเล็บนามธรรมาสิ่งนั้นไม่มีลักษณะดังกล่าวเช่อนอย่างวิชาความรู้ไม่เคยปรากฏมีอะไรวิชาทหารวิชาตำรวจไม่มีสีทั้งนั้นกลิ่นก็ไม่มีวิชานั้นเหม็นวิชานี้หอมไม่เคยปรากฏรวมความว่าสีสันฐาน เสียงกลิ่นรสเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเท่านั้นสิ่งที่เป็นนามนธรรมไม่มีอาการเหล่านั้นใจของคนเราก็เป็นนามนธรรมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีสีสันฐานและอื่นๆตามที่กล่าวแล้วส่วนที่เราพูดกันตามภาษาชาวบ้านว่าคนใจน้อยคนนี้ใจกวางคนน้อยใจแคบหรือว่ากันว่าคนใจดาใจแข็งใจจืดและอื่นๆ เหล่านี้เป็นเพียงการยืมเอาลักษณะอาการของพวกที่เป็นรูปเข้าไปแสดงถึงพฤติการของใจซึ่งเป็นนามเพื่อให้เข้าใจง่ายเท่านั้นจริงๆไม่มีน้อยไม่มีใหญ่ไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีดำไม่มีแดงไม่มีแข็งไม่มีอ่อนไม่มีจืดไม่มีเค็มอาการเหล่านี้จะได้อธิบายอีกในบทต่อไปในบทนี้ขอแนะนําแต่เพียงว่าใจเป็นธาตุกยสิทธิ์ไม่มีตัว และไม่มีอาการที่จะรู้ได้ด้วยการดูหรือได้ด้วยการทดสอบด้วยวิธีใดๆก็ตามที่ใช้วัตถุเป็นเครื่องมือเช่นเอ็กซเรย์ ray, หรือขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นต้นที่ใจไม่มีเนื้อมีตัวนี่สิมันทําให้คนอกหักอกร้าวกันอยู่ทั่วไปเพราะเลือกผิดคิดว่าจะเอาคนใจอย่างนี้แต่เกิดไพร่ามาเลือกเอาคนใจอย่างนั้นเจ็บช้ำนักถ้าติต่างว่า ใจคนมีอาการทางรูปพอจะเลือกสีเลือกทรงเลือกกลิ่นเลือกรสและเลือกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้คงจะหมดกังวลไปแยะจะได้เลือกดูสีดูกลิ่นชิมรสได้เป็นที่พอใจก่อนจึงคบหาสมาคมที่อยู่ของใจธรรมชาติที่เรียกว่าใจนั้นสิงอยู่ในร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตพระพุทธวจนะแสดงที่อยู่ของใจ ท่านใช้คำบาลีว่าคูห uh ้าเยังแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำและมีอธิบายว่าคำว่าถ้าในที่นี้ท่านหมายถึงร่างกายของมนุษย์ตามปกติร่างกายของคนเรามีชื่อเรียกในทางภาษาธรรมะหลายอย่างซึ่งเป็นการเรียกเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้พูดและผู้ฟังเกิดความรู้สึกหรือได้แง่คิดทางธรรมะเช่นเรียกร่างกายว่าเมืองว่าหม้อเป็นต้น ข้าพเจ้าจะผ่านเหตุผลเหล่านั้นไปเสียเพื่อไม่ให้ย่นเยอ่อร่างกายที่ว่าเป็นที่อาศัยของใจมีรูปลักษณะตามที่เห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วพระอัฏฐกถาจารย์ท่านพรนนาวไว้ย่อๆง่ายๆว่าร่างกายนี้มีกระดูกเป็นโครงรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยเนื้อหุ้มไว้ด้วยผ้นหนังนี่คือส่วนสาคัญของร่างกายคาว่ากายแปลว่าหมู่หมายถึง หลายสิ่งหลายอย่างรวมกันแต่ร่างกายจะมีร่างเป็นอย่างไรแล้วแต่โครงคนเราที่ยังพอจาหน้ากันได้ว่านี่พานรงนั่นหัวหน้าแผนกโน่ น, นหัวหน้ากองก็เพราะร่างกายมีกระดูกเป็นโครงกันเอาไว้ถ้าชักกระดูกออกจากตัวเสียหมดแล้วตัวของเราก็จะลงไปกองอยู่กับพื้นเป็นกองเป็นกองเหมือนกับกางเกงที่เราถอดกองไว้กับพื้นนั่นเองจะดูว่ากองไหนเป็นใคร ก็จะต้องจับขึงออกดูจึงจะรู้กระดูกที่ยกเป็นโครงเหล่านี้ก็มีเส้นเอ็นผูกรัดไว้เป็นตอนๆถ้าไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดก็ทรงอยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันมีแต่กระดูกผูกไว้ด้วยเส้นเอ็นถ้าไม่มีเนื้อฉาบไม่มีหนังหุ้มก็ดูไม่ได้ถ้าทางมันจะเป็นอย่างไรโปรดนึกวาดภาพดูเองก็แล้วกัน ภายในยร่างกายของคนตอนบริเวณภายในซวงอกมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเรียกว่าหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตก้อนเนื้อนี้ที่เรียกว่าหัวใจนี้ตามคัมภีร์ทางศาสนาพรรณน า, นารูปรักษ์ไว้ว่าหัไทยรูปนั้นมีสีแดงเหมือนสีของหลังกลีบบวัวหลวงสันฐานเหมือนดอกบวัวตูมซึ่งแกะกลีบนอกออกเสียแล้ววางเอาปลายห้อยลงไปข้างล่างผิวนอกของหัยรูปเกลี้ยง ข้างในเหมือนข้างในผลบวบขมอาไทรูปคนมีปัญญาแยมนิดหน่อยของคนโง่ทึบปิดบิดเลยและว่าข้างในของอทไทรูปนั้นมีแอ่งเท่าเม็ดบุญนาควางลงได้ภายในแอ่งนั้นมีน้ำในวงเล็บโลหิตขังอยู่ประมาณกึ่งฝ่ายมือมโนธาตุหรือมโนวิญญาณธาตุในวงเล็บจิตได้อาศัยน้ำที่กล่าวนี้เป็นไปจากข้อความที่ยกมา ่างนี้แสดงให้ทราบว่าใจของคนเราอาศัยอยู่ในหัไทยรูปโดยเฉพาะคืออยู่ที่น้ำซึ่งขังอยู่ในแห่งเท่าเม็ดบุญนาคนั้นน้ำที่กล่าวนี้แหละเรียกว่าน้ำใจข้าพเจ้าขอย้ำอีกนิดว่าคําว่าหัวใจก็ดีน้ำใจก็ดีหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นต่างหากจากใจไม่ใช่อันเดียวกันหัวใจน้าใจเป็นพวกรูปส่วนจิตใจ เป็นพวกนามแต่ว่าอาศัยอยู่ในหัวใจเท่านั้นแต่ถ้าใครจะอุตริไปผผาหัวใจเพื่อจะดูใจก็คงหาไม่พบเพราะมันพบไม่ได้คล้ายกับคนเป่าปีเป่าเทไรมีเสียงดังเป็ดๆทุกทีรู้เหมือนกันว่าเสียงนั้นออกมาจากตัวปีแต่ถ้าแกเกิดขลังขึ้นมาพาสับปีออกเพื่อจะดูเสียงว่ามันขดคูอยู่ในปีได้อย่างไรก็ไม่มีหวังจะได้พบ ได้มีนักคิดบางพวกคิดว่าใจอยู่ที่สมองภายในกระโหลกศรีรษะโดยให้เหตุผลว่าเวลาใช้ความคิดมากๆจะรู้สึกปวดหรือมึนในสมองบางทีคิดอะไรไม่ออกก็เอามือเคาะที่หน้าผากจะให้ความคิดมันออกความเห็นที่ว่านี้จิตใจอยู่ที่สมองก็ถูกเหมือนกันแต่เป็นการอยู่ในลักษณะเป็นที่ทำงานไม่ใช่อยู่ในลักษณะเป็นที่อยู่มันสมองเป็นเครื่องมือสั่งงานของจิต คนที่ประสาทสมองพิการไปเช่นมา เ, เรียขึ้นสมองแล้วเลยเพอ้อคลั่งต่างๆโดยปราศจากการควบคุมของจิตใจที่เป็นดังนั้นไม่ใช่จิตใจเสียหายจิตใจคงคิดอะไรได้ตามเดิมแต่เครื่องมือในการคิดและสั่งงานของจิตชํารุดเสียหายไปพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาภายนอกและที่จากภายนอกเข้าไปสู่ใจเลยควยเขวกลับหัวกลับหางกันหมด เมื่อเดือนกันยาปีนี้ในวงเล็บ 2,488 ข้าพเจ้ามีโชคดีได้ไปชมกิจการโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาทนบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคจิตโดยเฉพาะนายแพทย์อรุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ชี้แจงเรื่องราวเกี่ยวกับโรคจิตให้ฟังในตอนหนึ่งของคำชี้แจงนั้นท่านเปรียบให้ฟังอย่างชัดเจนว่า การที่ประสาทส่วนสมองพิการทําให้การคิดและการสั่งงานของจิตผิดปกติไปโดยท่านเปรียบว่าประสาทเหล่านี้เหมือนสายโทรศัพท์ที่ออกจากศูนย์กลางแล้วแผ่กระจายไปทั่วพระนครเมื่อสายโทรศัพท์ที่ศูนย์กลางของมันเกิดมีอันเป็นไปเวลาเราหมุนโทรศัพท์มันก็ต่อไปไม่ตรงที่หมายเช่นเมื่อก่อนเราเคยหมุนเบอร์นี้แล้วมันต่อไปบ้านทางสีลม และพอมันเสียแล้วหมุนเบอร์ที่เคยหมุนมันกลับไปกลิ้งเอาทางบางกระบือดังนี้เป็นต้นนี่แหละทั้งทั้งที่คนหมุนโทรศัพท์เป็นคนดีๆแต่เพราะโทรศัพท์มันมีอันเป็นไปการกระทําของคนดีๆก็ไข้เขวไปด้วยเรื่องจิตกับสมองก็เหมือนกันเมื่อสมองพิการการคิดและการสั่งงานของจิตก็ไม่ตรงที่หมายอีกครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระภิกษุกรูปหนึ่งสำนักอยู่วัดในพระนครท่านอาพาธด้วยโรคฤาษีดวงทวารเรื้อรังมานานได้รับความทรมานมากต่อมามีหมอกลางบ้านผู้หนึ่งปรุงยาไปถวายครั้นฉันยาเข้าไปเกิดคลุ้งคลั้งพูดนอกเรื่องนอกราวขณะนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยภายหลังจึงรู้ว่ายานั้นเข้าลำโพงเวลาหมดฤทธิ์ลาโพงแล้วอาการของท่านก็ปกติ ท่านเล่าว่าจิตของท่านในขณะเพ้อครั่งนั้นก็ปกติพอฉันยาเสร็จสักครู่รู้สึกคอแห้งกระหายน้ำแต่พออ้าปากว่าจะขอน้ำคาพูดที่ออกมากลายเป็นว่าจะขึ้นเครื่องบินพอพูดกับคนอื่นไม่เข้าใจก็พยายามอธิบายแต่คำอธิบายก็กลายเป็นนอกเรื่องนอกราวไปเสียรู้สึกน้อยใจในตัวเองท่านเล่าว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าเอามาเล่าต่อ เพื่อที่จะยืนยันคำชี้แจงของคุณหมอที่ว่ามาแล้วและย้ำให้เห็นว่าประสาทสมองนั้นเป็นเครื่องทำงานของใจเท่านั้นไม่ใช่ใจและไม่ใช่ที่อยู่ของใจ